อนาถบินดิกะสร้างพระเชตวันสมัยนั้นท่านอนาถบินดิกะขหบดีเป็นคนมีมิตรมากมีสหายมากประชาชนเชื่อถือคำพูดครั้นท่านอนาถบินดิกะขหบดี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 ได้ทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์จะเสด็จมาทางนี้ครั้งนั้นคนทั้งหลายที่ท่านนาาถบินิกาขหาบดีชักชวนแล้วได้พากันสร้างอารามสร้างวิหารเตรียมทานครั้นท่านนาาถบินิกาขหาบดีถึงกรุงสาวัตถี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 ไร้ผู้คนเป็นสถานที่พวกมนุษย์จะทากิจที่ลับได้เป็นสถานที่เหมาะแก่การหลีกเร้นท่านนาถบินิกะคหาบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชษราชกุมารเป็นสถานที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเกินไปไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไปการคมนาคมสะดวก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 เราก็ให้อุทยานไม่ได้ท่านอนาถบินิกะขหบดีทูลถามว่าพระลูกเจ้าพระองค์ขายอุทยานแล้วหรือพระเจ้าค่ะเจ้าเชษราชกุมารรับสั่งว่าขหาบดีเรายังไม่ได้ขายอุทยานเชษราชกุมาร กับอนาถบินดิกะข้าบดีถามพวกมหาอมตะผู้พิพากษาว่าอุทยานเป็นอันขายแล้วหรือยังไม่ได้ขายพวกมหาอมตะตอบว่าพระลูกเจ้าเพราะพระองค์ตีราคาแล้วอุทยานจึงเป็นอันขายแล้วจากนั้นท่านอนาถบินฑิกะขหาบดี สั่งให้คนงานนำเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาดให้ริมจดกันในเชตวันเงินที่ขนออกมาครั้งเดียวยังไม่พอแก่พื้นที่อีกหน่อยหนึ่งใกล้ซุ้มประตูท่านอนาถบินติกะขหาาบอดีจึงสั่งพวกคนงานว่าพวกท่านจงไปขนเงินมาเราจะเรียงให้เต็มในที่นี้ ขณะนั้นเจ้าเชษราชกุมารได้ทรงมีพระราชดำริดังนี้ว่าการกระทํานี้ไม่ใช่ของต่ําต้อยเพราะขหบดีนี้บริจาคเงินมากมายถึงเพียงนี้ลําดับนั้นเจ้าเชษราชกุมารได้รับสั่งกับท่านอนาถบินิกะขหบดีดังนี้ว่าพอเถอะท่านขหบดีที่ว่างตรงนั้น ท่านอย่าลาดเงินเลยให้โอกาสแก่เราบ้างส่วนนี้ข้าพระเจ้าจะขอร่วมถวายด้วยครั้งนั้นท่านอนาถบินดิกะข้าบดีดํมรีว่าเจ้าเชษฐราชกุมารพระองค์นี้ทรงเรืองพระนามประชาชนรู้จักความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของผู้ที่ประชาชนรู้จักเช่นนี้ มีประโยชน์มากจึงได้ถวายที่ว่างนั้นแก่เจ้าเชษราชกุมารลำดับนั้นเจ้าเชษราชกุมารรับสั่งให้สร้างสมประตูที่ตรงนั้นต่อมาท่านอนาถบินิกะขหาบดีให้สร้างวิหารหลายหลังไว้ในพระเชตวันสร้างบริเวณสร้างสมประตู สร้างศาลาหอฉันสร้างโรงไฟสร้างกัปปียะกุดีสร้างวัดจักกูดีสร้างสถานที่จงกรมสร้างศาลาจงกรมขุดบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างเรือนไฟสร้างศาลาเรือนไฟขุดสะโบกขรณีสร้างมนดบ